วันนี้เป็นวันที่สิบสองสิงหาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่พวกเราที่เป็นลูกๆทั้งหลายจะได้มาบูชาพระคุณของคุณแม่ และของคุณพ่อพ่อคุณแม่และคุณพ่อเป็นผู้ที่มีพระคุณกับพวกเราเป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่พวกเราก็ไม่สามารถที่จะมีตัวตนมีชีวิตอยู่ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาหรือหาได้มานั้นก็เป็นเพราะพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดให้ชีวิตแก่พวกเรามานั่นเองดังนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของลูกๆที่จะต้องทดแทนพระคุณของคุณพ่อและคุณแม่ วิธีที่จะทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่สุดที่สูงสุดที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือวิธีปฏิบัติบูบชาปฏิบัติตัวเราตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามจนได้บรรลุ ทำขั้นต่างๆเมื่อเราได้บรรลุทำขั้นต่างๆเราก็จะสามารถแบ่งทำเหล่านั้นให้แก่คุณพ่อและคุณแม่ของพวกเราได้ถ้าเราได้ทำขั้นโสดาบันเราก็จะแบ่งทำขั้นโสดาบันให้กับท่านได้ได้ขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามี ก็แบ่งทำขั้นนั้นให้กับท่านไปได้ได้ทำขั้นอารหาหันก็แบ่งทำขั้นอารหาหันให้กับท่านไปได้นี่คือวิธีทดแทนพระคุณของบิดามารดาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทดแทนมาคือพระองค์ หลังจากที่ได้ส่งตัดสรู้ได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระ อ, องค์ก็ส่งนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พระราชบิดาและพระพุทธมารดาถึงแม้พระพุทธมารดา จะได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ยังมีความสามารถที่จะทรงติดต่อกับพระพุทธมารดาที่อยู่ในสวรรค์ได้และสามารถเทศนาสั่งสอนจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ปิดประตูอบาย ไม่ต้องไปเกิดไปรับผลกรรมในอบายอีกต่อไปและมีพบชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุเป็นพระอารหันต์หลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายส่วนพระราชบิดาพระพุทธเจ้าก็ทรงปโปรด ให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตนี่คือการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่เป็นลู ก, ลก ถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้อย่างเต็มที่ก็ต้องทดแทนด้วยวิธีนี้เท่านั้นทรงตรัสไว้ว่าถึงแม้เราจะแบกท่านไว้บนบ่าบนไหลให้ท่านอุจจาร ะ, ะปัสสาวะลาดใส่เราเลี้ยงดูท่านดีอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณที่ท่านมีกับเรา ให้หมดได้มีเพียงวิธีปฏิบัติบูบชานี้เท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามานดาให้หมดไปได้เราจะได้ไม่เป็นหนี้บุญคุณกับใครครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักเช่นหลงตาท่านก็ปฏิบัติแบบนั้น หลังจากที่ท่านเสร็จภารกิจของท่านท่านก็นำมารดาของท่านมาบวชเป็นแม่ชีแล้วก็สั่งสอนจนได้อัดได้ทำได้ไปสู่สุคตินี่คือการทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณคือบิดามารดาทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชา บูชาพระคุณของบิดามารดาด้วยการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็นาเอาพระธรรมคำสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติหลังจากที่ได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่าง เมื่อได้บรรลุแล้วก็สามารถนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่บิดามารดาต่อไปได้ส่วนบิดามารดาจะสามารถรับไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นก็อยู่ที่บุญหรือกรรมของท่านเท่านั้นเองบางทีก็ไม่สามารถที่จะ สอนท่านได้ช่วยท่านได้ก็เป็นเรื่องของกรรมของท่านไปถ้าสามารถสอนได้ทำให้ท่านปฏิบัติและบรรลุได้ก็ถือว่าเป็นบุญของท่านแต่เราก็ได้ทำส่วนของเราอย่างเต็มที่แล้วไม่ขาดตกบกพร่องอย่างใด นี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังมากระทากันในวันนี้มาปฏิบัติบูชากันขั้นที่หนึ่งก็ต้องเริ่มต้นที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนพอผลเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เองและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เกิดจากการศึกษารื่าเรียนเพราะทำคำสอนอย่างถูกต้อง ศึกษาทุกทุกคำทุกทุกคำสอนแล้วปฏิบัติตามทุกคำสอนไม่มาตัดมาต่อมาแต่งมาเติมถ้ามีการตัดมีการแต่งมีการเติมผลจะไม่เกิดเพราะว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งแสดงไว้แล้วนี้ เป็นธรรมที่พอดีมัชฌิมาปฏิปทาพอดีกับการทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเพราะว่าเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้กำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วด้วยพระธรรมที่ทรงนำมาเอยแผ่สั่งสอนนี้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตัดไปแต่งไปเติมได้อย่างใดควรจะปฏิบัติตามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่าอุทะเละคิดว่าตนเองฉลาดกว่าพระพุทธเจ้ารู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะมาเลือกปฏิบัติคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าได้ อ้าเก่งจริงก็อย่ามาศึกษาพราะธรรมคำสอนให้เสียเวลาคนที่เขาเจ่งจริงที่เขาบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกันไม่เห็นมีรูปใดองค์ใดที่จะมาตัดมาแต่งมาเติมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะท่านเห็นจากการปฏิบัติแล้วว่าเป็นสวากขาโตพระกวตตาธมโมจริงๆ เือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วดีแล้วครบถ้วนบริบูรณ์แล้วไม่มีขาดไม่มีเกินนำเอาไปปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานจะเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจของผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนนี่คือความสำคัญ ของการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ศึกษาแล้วก็จะมีความเห็นที่แตกต่างออกไปแล้วก็จะมีการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปผลจึงมักจะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอน อาจจะศึกษาจากพระรูปนั้นรูปนี้อาจจะหลงคิดว่าท่านได้ศึกษามาดีแล้วอ่าท่านเองก็ไม่ได้ศึกษามาก็เป็นลักษณะของคนตาบอดสอนคนตาบอดไปเมื่อคนตาบอดสอนคนตาบอดให้เดินไปตรงนั้นตรงนี้จะเดินไปถึงได้อย่างไร เมื่อคนสอนก็มองไม่เห็นทางคนเดินก็มองไม่เห็นทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ศึกษาควรจะศึกษาพระสูตรของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าบ้างคือไม่ต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นธรรมที่คล้ายๆกันเหมือนกันทรงแสดง ไว้ในตามวาระต่างๆกันเนื้อหาสาระที่สำคัญก็มีอยู่ในสามสี่พระสูตรถ้าได้ศึกษาสามสี่พระสูตรนี้ก็จะรู้แนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาแนวทางที่ถูกต้องแล้วเราจะได้มีมาตรมีเครื่องวัดคำสอน ของครูบาอาจารย์รูปอื่นเพราะเวลาเราปฏิบัติเราจำเป็นที่จะต้องไปศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดถึงจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและได้ผลดีถ้าเราปฏิบัติตามลำพังศึกษาจากพระสูตรตามลำพังมันจะไม่เป็นสิ่งที่ง่าย และจะเนินช้าและอาจจะหลงทางได้เพราะการอ่านของเราการแปลความหมายของเราอาจจะไม่ตรงไปกับความหมายที่ได้ทรงแสดงไว้ก็ได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นมาตรฐานให้เราวัดคําสอน ของครูบาอาจารย์ที่เราจะไปอยู่ไปศึกษาด้วยเราก็จะได้รู้ว่าท่านสอนออกนอกทางนอกรูกนอกทางหรือไม่ถ้าเราไม่ศึกษาจากพระไตรปิฎกบ้างเลยเราจะไม่แน่เราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่เราไปอยู่ไปศึกษาด้วยนั้นท่านสอนอย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าท่านสอนไม่ถูกเราปฏิบัติตามเราก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้าเรารู้ว่าท่านสอนไม่ถูกเราจะได้ไม่ต้องปฏิบัติตามจะได้ไม่เสียเวลาไปหาครูบาอาจารย์รูปอื่นต่อไปหาครูบาอาจารย์ที่สอนตรงตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่คือสิ่งที่การศึกษาของพวกเราควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก่อนเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรบ้างเช่นทศูสู์ที่ควรจะศึกษาก็คือธรรมจักกัปวัตนสูตรเป็นคำสอนขั้งแรกของพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาทางที่มีมรรคเป็นองแปดและก็ได้ทรงแสดงพระอริยสัจ ส, สี่ต้นเหตุของความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากตันหาความอยากกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาและการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ดับความทุกข์ต่างๆก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติมรรคแนี้เองด้วยการเจริญมรรคแดเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประปความเห็นชอบความนําหนิ่ชอบซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัญญาแล้วก็ปฏิบัติสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโว การกระทาชอบการพูดชอบการมีอาชีพชอบ<ม>เป็นการปฏิบัติของศีล<ม>แล้วก็ให้ปฏิบัติสัมมาวาวายามโ ม, มสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งเป็นองค์ประกอบของการจเจริญสมาธิ<ม>รวมกันแล้ว ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองนี่คือทางสู่การหลุดพ้นถ้าไม่ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาจะไม่มีวันหลุดพ้นได้สมัยนี้มักจะมีการตัดออกมีการเห็นว่าไม่จําเป็นเช่นสมาธินี่ตัดไปเลยศีลก็ไม่รู้ว่ารักษาการหรือเปล่าเอาปัญญาตัวเดียว ถ้าทำอย่างนี้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้ไม่มีวันที่จะบรรลุได้ถ้าเอาปัญญาตัวเดียวพระพุทธเจ้ามาสอนศีล ส, สอนสมาธิให้เสียเวลาทําไมก็ทําไมไม่สอนปัญญาไปเลยอันนี้ผู้ที่ศึกษาควรที่จะไข้ขวนคุณจะพิ จ, จารณาเราจะไปอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างไร ตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่สอนให้เราดื่มนมดื่มน้ำก่อนที่จะรับประทานของแข็งเราก็ทำตามที่พ่อแม่สั่งสอนไม่ใช่ว่าพอเกิดมาแล้วก็บอกว่าหนูไม่ดื่มนมหนูไม่กินของเหลวยาขอกินผักกินเนื้อเลยก็ลองไปกินดูถ้าไม่มีฟันมันจะกินเข้าไปได้อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกัน พอเริ่มศึกษาก็บอกผมไม่เอาศีลไม่เอาผมไม่เอาสมาธิผมเอาปัญญาอย่างเดียวผมต้องการบรรลุอย่างรวดเร็วว่าปัญญานี้เป็นธรรมขั้นสูงสุดผมก็มีความสามารถผมเรียนหนังสือทางโลกมาจบปริญญาตรีโทเอกแล้วทำไมกับปัญญาของพระพุทธศาสนาแค่ไม่กิด ไม่กี่ตัวนี้ทำไมผมจะศึกษาไม่ได้แค่รู้อริยสัจ ส, สี่รู้ตายรักแค่นี้ก็บรรลุได้แล้วอันนี้คือความคิดของพวกปัญญาทั้งหลายเอาปัญญาเลยไปนั่งสมาธิทำไมนั่งหลับตาแล้วมันได้อะไรรักษาศีลไปทำไมไม่สำคัญศีลไม่สำคัญสมาธิไม่สำคัญ สำคัญที่ปัญญาเพราะถ้าไม่มีปัญญาก็หลุดพ้นไม่ได้อันนี้ก็ยอมรับใช่ถ้าไม่มีปัญญาหลุดพ้นไม่ได้แต่ถ้าไม่มีศีลปัญญาก็เกิดไม่ได้ไม่มีสมาธิปัญญาก็เกิดไม่ได้ไม่คิดให้มันรอบครอบคิดแต่จะเอาเข้าข้างกิเลส ข, ของตนเองเท่านั้นเอง ทานก็ไม่ยอมทำเสียดายเงินทองศีลก็ไม่รักษายังอยากเที่ยวอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายอยู่สมาธิก็ไม่อยากจะนั่งนั่งแล้วมันอึดอัดก็เลยเอาปัญญาดีกว่าปัญญาสนุกกว่ามันกว่าเพียงแต่คิดเพียงอย่างเดียวคิดว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยวาง คิดแล้วปล่อยวางได้หรือเปล่าได้ศึกษาปัญญามากี่ปีแล้วได้หลุดพ้นหรื อ, อยังพูดที่ใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียวคอยคิดบ้างหรือเปล่าเด้อคิดแล้วมีแต่ความฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่ใช่มีความสงบนี่คือสิ่งที่คนสมัยนี้บางพวกไม่ใช่ทุกคน นักศึกษาทำนักปฏิบัติธรรมบางพวกจะคิดกันแบบนี้จะเอาแต่ความสะดวกรวดเร็วเป็นหลักเอาความสบายเอาความง่ายเป็นหลักเพราะเห็นว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องนั่นเองเพราะปัญญาเป็นธรรมที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้ ศีลข่าไม่ได้สมาธิข่าไม่ได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นงั้นทำไมต้องไปใช้ศีลใช้สมาธิให้เสียเวลาไปก็ใช้ปัญญาเลยไม่ดีกว่าเลยปัญญาที่แท้จริงมันจะเกิดได้มันต้องเกิดจากการมีศีลการมีสมาธิมันถึงจะได้ปัญญาที่ฆ่ากิเลสตัณหาได้ ปัญญาที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิสนับสนุนนี้ฆ่ากิเลสตัณหาไม่ได้และศีลสมาธิที่ไม่มีทานเป็นผู้สนับสนุนก็เป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้ผู้ที่ต้องการที่จะเจริญศีลอย่างแท้จริงจเจริญสมาธิอย่างแท้จริงนี้ต้องทําทานก่อนต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีอยู่ให้หมดไปก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองเลิกเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเพื่อที่จะได้มีเวลาไปรักษาศีลได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลามีเวลาที่จะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ไปปลีกวิเวกได้ไปอยู่คนเดียวได้ต้องมีทานเป็นผู้ สนับสนุนถึงจะเป็นศีลที่แท้จริงเป็นสมาธิที่แท้จริงไม่ใช่สมาธิชั่วครั้งชั่วคราวอยู่บ้านวันหนึง่งนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็ว่าได้สมาธิแล้วรักษาศีลแบบ ข, ขาดเกินเกินวันพักก็อาจจะรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่ามีศีลแล้วถ้าอย่างนี้แล้วก็ อย่าไปหวังเรื่องของการจะได้ปัญญาที่แท้จริงเลยเพราะการกระทําเหล่านี้มันเป็นการกระทําของกิเลสตัณหาทั้งนั้นถ้าถ้าถ้าเอาไปใช้กับปัญญาเอกิเลสมันก็หลอกปัญญาว่าอสิ่งเหล่านี้ไม่สําคัญไม่จําเป็นไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้เหนื่อยยากกิเลสมันจะได้สบาย กิลสมันจะได้มาหลอกให้ปัญญากลายเป็นปัญญาที่ฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่ใช่เป็นปัญญาที่สงบปัญญาที่แท้จริงต้องเป็นปัญญาที่สงบพอพิจารณาตายลักป๊บในจิตต้องนิ่งต้องสงบทันทีไม่ใช่ฟุ้งอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องของการศึกษาแนวทางที่ถูกต้อง อย่าไปอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอย่าไปเลือกปฏิบัติว่าฉันจะเอาทมแบบนี้ ท, นทำทาข้อนี้ไม่เอาจะเอาทมข้อนัน้เพราะฉันไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบนั่งฉันชอบปัญญาจะพิจารณาปัญญาไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาสอนศีลสมาธิปัญญามรรคแปดก็เหลือแค่มรรคสอง คือส ม, มาทิฏิกับสัมมาสังกโป้เท่านั้นเกิด ค, ความเห็นชอบกับความนิมริชอบอันนี้เป็นองค์ประกอบของปัญญาไม่ต้องมีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิตับนั้นออกไปก็าหหรือแค่สองก็พอมรรคแปดก็เหลือแค่มรรคสอง เพราะปัญญาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคนบางคนฟังเทศฟังธรรมปั๊บก็บรรลุได้เลยก็เห็นเอาตัวอย่างนี้มาเป็นข้ออ้างเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงทำให้แก่ปัญจวัคคีหนึ่งในปัญจวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยการฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราตอนนี้ ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเหมือนกับพระอญญานโกนธัญญาบรรลุหรือเปล่ามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีหรือเปล่าธรรมก็อันเดียวกันก็ไปอ่านดูสิอ่านในธรรมจักกัปวัตตนสูตร ด, ดอูอ่านจบแล้วมีดวงตาเห็นธรรมหรือเปล่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา คือ ฐ, ฐานะจิตของเรากับของพระปัญจาวัคคีย์มันไม่เหมือนกันเรายังเป็นคาวราวะาผู้คลองเรือนผู้เสพกามอยู่เรายังเสพรูปเสียงกลิ่นโน้นโพธิพอยู่จิตเรายังฟุ้งซ่านอยู่ส่วนพระปัญจาวัคคีย์นี้ท่านเป็นผู้สละการคลองเรือนแล้วและการเสพกามแล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลบริสุทธิ์ของนัก บ, บวชแล้ว จะนนสติจนจิตนิง่งสงบเป็นสมาธิเป็นฌานแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมที่เป็นปัญญาก็บรรลุได้นี่คือความแตกต่างกันอย่าเอามาเปรียบเทียบถ้าจะเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบให้มันครบไม่ใช่เลือกเปรียบเทียบเอาแต่เฉพาะเขาฟังเทศฟังธรรมเขาบรรลุธรรมได้ไม่เห็นเขาจะต้องมานั่งสมาธิให้เหนื่อยยาก ไม่เห็นเขาจะต้องมารักษาศีลไม่เห็นว่าจะต้องออกบวชเลยเป็นคารวะนี่ก็บรรลุได้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบแบบไม่ครบถ้วนทุกสัต์ทุกส่วนเปรียบเอาแต่ส่วนที่อยากจะเปรียบส่วนที่ไม่อยากจะเปรียบก็มองไม่ยอมมองไม่ยอมมองว่าตนเองเป็นกำลังเป็นอะไรอยู่ตอนนี้เป็นผู้ครองเรือน ผู้เสกกรรมหรือเป็นผู้ออกบวชแล้วเป็นผู้ที่นักษาศีลของนักบวชได้บริสุดแล้วหรือยังเป็นผู้ที่มีสติต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการหรือยังอันนี้ต้องเปรียบเทียบส่วนนี้ด้วยเพราะผู้ที่ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมกันทั้งหมดนี้เขาเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเขามีศีลที่บริ ส, สุทธิ์ เขามีจิตที่ตั้งมั่นในความสงบมีสติต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปกับอดีตไม่ลอยไปกับอนาคตอยู่ในปัจจุบันพอทมที่แสดงของพระพเจ้าเข้ามาสัมผัสเขาก็รับรู้ทุกบททุกบา ท, ทุกคำพูดแล้วถ้าเขาพิจารณาตามได้เกิดความเข้าอกเข้าใจได้ เขาก็บรรลุได้ดังนั้นขอให้เราศึกษาพระธรรมคำสอนให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรแล้วเรามาตรวจตาดูว่าสิ่งที่สอนให้เราปฏิบัติเรามีหรื อ, อยังเราทำทานได้หรื อ, อยังเราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ไปหมดได้หรื อ, อยังเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อ ความสุขต่างๆได้หรื อ, อยังถ้าซื้อสิ่งที่จําเป็นไม่เป็นไรเช่นซื้อปัจจัยสี่ถ้าไม่ได้เป็นนักบวชก็ต้องมีปัจจัยสี่ก็ต้องมีเงินซื้อปัจจัยสี่มาถ้ามีเงินไว้ซื้อปัจจัยสี่นี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเงินไว้สําหรับซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซื้อตามความอยากต่างๆ ตามกา마ตันหาภาวตันหาวิภวตันหาถ้ายัางใช้เงินกับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ยังไม่ได้ ท, ทาดํา ท, ท, ท, ทานได้อย่างเต็มที่ผู้ที่ทําทานได้อย่างเต็มที่เขาเลิกใช้เงินซื้อสิ่งต่างๆที่กา마ตันหาภาวตันหาและวิภาวตันหาต้องการเขาจึงสามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุด ไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าข้อเขาสามารถรักษาได้เรารักษาได้หรื อ, อยังเราทําทานได้หรื อ, อยังรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้หรื อ, อยังเราจะริกษสติตั้งแต่ตื่นจนหลับได้หรื อ, อยังเรานั่งสมาธิได้ทุกเวลามเวลาที่เราต้องการได้หรื อ, อยังเวลานั่งจิตก็สงบได้อย่างรวดเร็ว รวมเป็นหนึ่งได้อย่างรวดเร็วหรือยังอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตรวจตาดูในตัวของเราว่ามีหรือไม่มีถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งลี้ไปที่ปัญญาปัญญานี่ยังไกลมากเอาสิ่งใกล้ตัวนี้ให้ได้ก่อนหยุดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆหยุดใช้เงินใช้ทองทําตามกามตัญหาภาวะตัญหา วิภาวตัธราให้ได้ก่อนแล้วก็มารักษาศีลห้ก่อนรักษาศีลห้าได้ก็รักษาศีล8ดไปรักษาศีล8ได้ก็รักษาศีลส0บไปรักษาศีลสิก็รักษาศีลสองยบเจหรือศีลส0มอยกว่าไปต้องรักษาศีลเหล่านี้ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะไปปริกวิเวก ไปเจริญสติอย่างต่อเนื่องสติเราต่อเนื่องหรือไม่จิตของเราตั้งอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาหรือลอยไปลอยมาตามกระแสของความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวก็ไปอดีตเดี๋ยวก็ไปอนาคตเดี๋ยวก็ไปตามกิเลสตัณหาไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้ามันยังไหลไปไหลามาอยู่นี่เวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้อย่างไร มันต้องนิ่งต้องรู้อยู่ในปัจจุบันสักแต่ว่ารู้แล้วเวลานั่งสมาธิให้พุทโธก็จะอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวให้ดูลมหายใจก็จะอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วถ้ามันอยู่ได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่นานมันก็รวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขัปกตาลมสัแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบ เป็นผลที่เกิดขึ้นมาถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วถึงจะเป็นเวลาที่ไปเจริญปัญญาต่อไปได้ไปพิจารณาอาริยสัจสี่ไปพิจารณาไต่ลักเพื่อกำจัดกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหากามตัณหาโผมาปั๊บไตรลักก็จะโผมาทันทีอสุภะก็จะโผมาทันที อาหารในปฏิกูลแล้วสัญญาก็จะโผล่มาทันทีอันนี้ต่างหากเรียกว่าปัญญาปัญญาต้องสู้กันภายในจิตไม่ใช่สู้กันในความคิดต้องเห็นกันชัดๆเลยเวลาตัณหาเกิดขึ้นมาภายในจิตปัญญาก็โผล่ขึ้นมาภายในจิตพร้อมๆกันเลยจะโผล่ขึ้นมาในจิตได้จิตก็ต้องเข้าข้างในจิตต้องรวมเป็นสมาธิ ถึงจะเห็นตัวกิเลสที่แท้จริงเห็นกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่แท้จริงแล้วปัญญาที่ผลิตขึ้นมาก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่อยู่ภายในจิตเลยไม่ใช่ปัญญาที่อยู่ในความนึกคิดที่เรียกว่าสัญญาปัญญาที่ได้จากการได้ยินได้ฟังของพระพุทธเจ้าก็ดีปัญญาที่นำเอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาค่ายขวนก็ดี อันนี้ยังเป็นปัญญานอกอยู่ไม่ใช่เป็นปัญญาในาเพราะขณะที่ฟังขณะที่พิจารณาตอนนั้นจิตไม่รวมจิตไม่ได้เข้าข้างในจิตอยู่ข้างนอกอยู่กับสัญญาสังขาร น, นั่นเองยังไม่ได้เป็นปัญญาต้องเป็นปัญญาต่อเมื่อจิตรวมเข้าไปข้างในแล้วพอไปเจอตันหาความอยากก็ใช้ปัญญา ที่เกิดขึ้นข้างในนี้มาดับมันได้อย่างทันท่วงทีนี่คือสาเหตุทําไมผู้ที่ได้ศึกษาทำมาแล้วไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆลา ก, กิเลสต่างๆได้ก็เพราะว่าอยู่กันคนละที่นั่นเองกิเลสอยู่ห้องหนึ่งปัญญาอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วมันจะไปตีกันได้งไงมันต้องไปอยู่ห้องเดียวกันมันจะได้ตีกันได้ เมือนนักมวยสองคนขึ้นคนละเวทีต่างคนต่างชกลมมันก็จะไม่มีผลอะไรไม่รู้ว่าใครแพ้ไม่รู้ว่าใครชนะแต่ที่รู้แน่ๆก็คือกิเลสชนะเพราะกิเลสมันอยู่ในใจมันเอาใจไปครองเสียแล้วมันสั่งให้ใจไปทำตามกามะตัญหาได้ตามภวะตัญหาตามวิภวะตัญหาได้ แต่ปัญญาที่อยู่ข้างนอกอยู่ในสัญญาอยู่ในสังขารมันไม่สามารถที่จะระหยุดกิเลสตัณหาที่อยู่ภายในใจได้นะถ้าจิตไม่รวมเป็นเอ ก, กตารมถ้าจิตไม่รวมเป็นสมาธิปัญญายังอยู่ข้างนอกอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่ข้างในปัญญายังเป็นขันอยู่เป็นสัญญาขันเป็นสังขารขันอยู่แต่ถ้าจิตรวมเมื่อไหร่แล้วปัญญาจะกลายเป็น ภาวนาไมยะปัญญาขึ้นมาทันทีจะไม่เป็นสุตตาไมยะปัญญาจะไม่เป็นจินตาไมยะปัญญาเพราะปัญญาสามารถเข้าไปสู่ในใจเข้าไปสู่ที่ตั้งของตัณหาของกิเลสได้ไปประชิญหน้ากับกิเลสได้แล้วเมื่อมีการประชิญหน้าแล้วทำย่อมชนะอธรรมเสมอ ธรรมก็คือปัญญานี่เองอธรรมก็คือกิเลสตัณหาอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงปัญญาที่ละตัณหาได้ปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ปัญญาที่ทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ปัญญาที่ทำให้จิตบรรุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้ต้องเป็นปัญญาแบบนี้ไม่ใช่เป็นปัญญาแบบได้ยินได้ฟังหรือเอาไปนั่งคิด นั่งคิดแล้วก็คิดไปแล้วก็บอกเอ๊ะเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วงั้นเราก็บรรลุแล้วสิเอเราได้ทำขั้นนั้นแล้วเราได้โสดาแล้วเราได้สกิทาคามีแล้วเราได้อนาคามีแล้วเราได้อรหันแล้วได้แบบนี้กิเลสมันก็ชอบหัวเราะเราได้แบบกิเลสไม่ตายตัณหาไม่ตายพอตัณหาโผล่ขึ้นมาก็กราบมันทันทีรับคําสั่งมันทันทีสั่งให้ไป ขนมนมเนยมามันก็วิ่งไปรับมาทันทีสั่งให้ไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นก็ไปทันทีนี่คือการบรรลุแบบกิเลสตัณหาบรรลุแบบความนึกคิดคิดไปเองคิดว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วมีธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วแต่เวลากิเลสสั่งให้ไปทำนู่นทำนี่ก็ร้องรับผมทันที สั่งให้ไปไหนก็ไปทันทีสั่งให้โลภ ก, ก็โลภทันทีสั่งให้อยากก็อยากทันทีนี่คือปัญญาของผู้ที่ไม่มีสมาธิของผู้ที่คิดว่าตนเองได้บรรลุแล้วจากการได้อ่านได้ยินได้ฟังจากการได้คิดได้พิจารณาอันนี้ยังไม่ใช่เป็นปัญญาปัญญามันต้องเจอหน้ากิเลสแล้วก็ดับกิเลสได้ทันที โลภ ป, ปั๊บก็หยุดได้โกรธปั๊บก็หยุดได้หลงปั๊บก็หยุดได้จึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงจริงจำเป็นจะต้องมีสมาธิมีศีลมีฐานถึงจะเป็นปัญญาได้นี่คือเรื่องของการศึกษาเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติ ไปหาครูบาอาจารย์ที่เก่งทางด้านปฏิบัติเพราะว่าเราปฏิบัติตามลำพังนี้มันจะหลงทางได้มันจะไปช้ากิเลสจะหลอกเราได้แต่ถ้าเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์เวลาเราออกนอกลูกนอกทางครูบาอาจารย์ก็จะมาเตือนทันทีมาดึงเราให้กลับเข้าไปในลูในทางเข้าไปอยู่ในตามคำนอง คำนองทองธรรมทันทีไม่ให้ออกไปนอกลู่นอกทางอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมแล้วท่านจะรู้ว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกผิดหรือไม่ผิดเราก็จะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนถูกหรือสอนผิดเพราะว่าเราก็ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้ว ต่างฝ่ายก็ต่างจะรู้กันเราก็จะรู้ว่าท่านสอนถูกหรือไม่ถูกครูบาอาจารย์ท่านก็จะรู้ว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกถ้าทั้งสองฝ่ายเป็นมีความรู้ที่ถูกต้องด้วยกันแล้วมีสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมที่ได้จากพระพุทธเจ้าโดยโดยอย่างถูกต้องแล้วการอยู่กับครูบาอาจารย์ก็จะอยู่กันได้อย่าง อย่างเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดครูบาอาจารย์ท่านก็รู้จริงเห็นจริงทำที่เราศึกษามาเราก็สามารถวัดได้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนี้เป็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือไม่ในเมื่อไม่มีอะไรขัดแย้งกับพระธรรมคําสอนเราก็จะสามารถทุ่มเทชีวิตทุ่มเทของการปฏิบัติของเราให้ได้อย่างเต็มที่ท่านสั่งให้กระโดดเลยก็กระโดดเลยท่านสั่งให้ไป หาเสือหาสัตว์ก็ไปเลยเพราะเชื่อว่านี่แหละคือวิธีที่จะกำจัดตัณหากิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วพอทําตามที่ท่านสั่งท่านสอนปับไม่นานผลก็จะปรากฏขึ้นมามักผลนิพพานทำขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาจนถึงทำขั้นสูงสุดเมื่อเราได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วเราก็สามารถเอาธรรมเหล่านี้ ไปแจกจ่ายเอาไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ถ้าบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่มีศรัทธามีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่จะศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้สอนบิดามารดานำพาให้ท่านได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องจนทำให้ท่านได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆเหมือนอย่างที่เราได้บรรลุมาท่านก็จะได้พ้นจากกบาย พ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากกองทุกทั้งปวงนี่แหละคือวิธีบูชาพระคุณของบิดามารดาที่แท้จริงบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาคือเราต้องปฏิบัติก่อนปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมพอบรรลุแล้วเราก็เอาธรรมที่เราบรรลุนี้มาสั่งสอน บิดามารดาต่อไปถ้าท่านมีศรัทธามีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาที่จะน้อมเอาไปปฏิบัติได้ท่านก็จะสามารถบรรลุธทำขั้นต่างๆได้พอท่านได้บรรลุแล้วก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของลูกอย่างเต็มที่แล้วได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างเต็มที่แล้วดีกว่าเลี้ยงดูท่าน อย่างดีแบกท่านไว้บนบ่าบนไหลให้ท่านอุจจาระปัสสะใส่เราก็สู้การปฏิบัติบูชานี้ไม่ได้สู้การที่จะทำให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้นี่จึงถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณที่แท้จริงต้องทดแทนด้วยการสั่งสอนบิดามารดาให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ การจะสั่งสอนได้เราก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติและบรรลุธรรมนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าปฏิบัติบูบชาบูชาด้วยการปฏิบัติคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวสศึกษาปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมเมื่อบรรลุแล้วก็นำธรรมที่ได้บรรลุนี่มาสั่งสอนบิดามารดาต่อไป ถ้าท่านมีศรัทธามีกําลังที่จะปฏิบัติตามได้ท่านก็จะได้บรรลุทำขั้นต่างๆเช่นเดียวกับที่เราได้บรรลุมาก็จะทําให้ท่านพ้น อ, อบายพ้นการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานยุติความความทุกข์ทั้งหลายยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องของการมาบูชาพระคุณของบิดามารดา ในวันแม่แห่งชาตินี้ขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อน ยะถาวาริวะหาปุราปาริกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัิตางตุมหังกิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ ตะรโสยทาสัพพิตโยวิวัชจันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภพิวาธนสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวัฏานติอายุวโนอสุขัง ลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะาถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหา ถ้าใครต้องการถามก็ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้อย่างสูงสุดนะคะขออนุญาตกราบเรียนถามบัญหานะคะโยมอยากจะถามว่าสเปนนี่ควรอยู่ที่จิตหรือควรอยู่ที่ความคิดเจ้าค ะ, ะไม่ควรอยู่ทั้งสองที่เลยให้อยู่กับพุทธโธแล้วอยู่ที่ร่างกาย เช่นเฝ้าดูร่างกายทําอะไรต่างๆจดจ่ออยู่กับการกระทําของร่างกายไม่ให้ไปอยู่กับความไม่ให้คิดให้หยุดความคิดใช้พุทโธหยุดก็ได้ใช้การดูร่างกายว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําอย่าไปอยู่กับแฟนอยู่ไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับอาบน้ําเพียงเรื่องเดียวถึงจะเรียกว่ามีสติ ไม่ให้คิดถ้าคิดแล้วไม่ใช่สติแล้วลอยใจลอยเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะกลับนัการอ่าขอถามคําถามสักสองข้อครับนะฮะก็เวลาจิตเรารวมเนี่ยที่จะเหมือนกับมีการตกหลุมอากาศนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ผู้รู้แต่ว่าทําไปเรื่อยๆอาการนั้นมันไม่ไม่หายมันหายไปแต่ว่าก็เข้าสู่ผู้รู้เหมือนเช่นเดิมอะอันนั้นถือว่า ก็ได้เหมือนกันขอให้มันเข้าสู่ความขอให้มันสงบมันนื่องเราสักแต่ว่าเราไม่มีความคิดปรุงแต่งก็ใช้ได้ครับ <Okay. S 2> จะเข้าแบบตกหลุมก็ได้เข้าแบบไม่ตกหลุมก็ได้ครับแล้วข้อที่สองก็คือการปฏิบัติอนัพปานสตินะครับที่มีสิบหกขั้นในในความเข้าใจของผมก็คือถ้าเราเข้าไปแล้วก็รวมเข้าสู่ผู้รู้ก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยเข้าไปสู่ขั้นเวทนานุปัสสนาอ๋ออันนั้นเป็นขั้นขั้นปัญญาแล้วมัน คนละคนละเรื่องกันขั้นสมาธินี่พอจิตสงบนิ่งอยู่ก็หมดก็ถึงถึงถึงจุดหมายปลายทางแล้ว <c oughs> ส่วนขั้นวิปัสสนานี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิมาก่อนแล้วมาคิดพิจารณาด้วยด้วยสังขารความคิดปรุงแต่งอีกที่หนึ่ง <c oughs> ถ้าจิตสงบให้มีความคิดปรุงแต่งตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรครือ <c oughs> เข้าไปรวมเว้ก่อนะให้จิตสงบนิ่งไป จนกว่าจะถอนออกมาเริ่มมีความคิดปรุงแต่งก็เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาพิจารณากายเวทนาจิตต่อไปครับจะพิจารณาอยู่ในท่านั่งก็ได้จะพิจารณาออกมาเดินจงกรมก็ได้พิจารณาด้านทุกอิเดียบทถ้าเป็นการพิจารณาธรรม กรรมนมัสการพระอาจารย์ครับผมเคยนั่งสมาธิแล้วจิตว่างไม่คิดอะไรผมอยากทราบว่าเป็นสมาธิหรือฌานครับเหมือนกันคําว่าฌานกับคำว่าสมาธินี้มีความหมายอันเดียวกันคือความนิ่งสงบของใจกรรมนมัสการค่ะพอดีว่าตอนนั่นสมาธิอะค่ะถ้าจิต สงบรวมแล้วอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีการเจริญปัญญาค่ะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างออตอนที่จิตสงบนั้นไม่ต้องไม่ไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเป็นเวลาที่เราใช้สติประคับประคองจิตให้สงบไปให้นานที่สุดแล้วก่อนที่จะมาทางปัญญานี้เราควรที่จ ะ, ะ, จะเจริญสมาธิให้ชํานาญก่อน ไห้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการและเข้าไปแล้วก็อยู่ได้นานๆพอเราชำนาญทางสมาธิแล้วเราถึงค่อยมาเจริญปัญญาคือหลังจากที่ออกจากสมาธิมาเราก็พิจารณาร่างกายก่อนพิจารณาร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันเป็นของเรา อยากให้มันเที่ยงเช่นเดียวกับเวทนาเช่นเดียวกับจิตแต่เราต้องเอาทีละตัวก่อนเหมือนกับเรียนหนังสือเอาทีละชั้นก่อนชั้นที่หนึ่งก็กายชั้นที่สองก็เวทนาชั้นที่สามก็จิตไล่ขึ้นไปตามลำดับเพราะความยากงานน่ายมันต่างกันแต่ต้องทำสลับกับการเข้าสมาธิ ถ้าเราออกมาพิจารณาแล้วจิตเริ่งฟุ้งก็หยุดพิจารณาแล้วกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทําใจให้สงบใหมข่ขอถามอีกหนึ่งคำถามนะค่ะการพิจารณาอสุภะกรรมฐานนะคะ่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยสิคะอันนี้ก็พิจารณาร่างกายเหมือนกันอยู่ในอยู่ในส่วนของการพิจารณาร่างกายนอกจากพิจารณา อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครของเขาก็ดีของเราก็ดีเหมือนกันแต่ที่เราพิจารณาสุภะนี้ส่วนใหญ่เราจะพิจารณาของร่างกายของคนที่เรารักหลงไหลยข้างไครอยากจะได้เขามาเป็นแฟนเราต้องพิจารณาดูร่างกายของเขาว่าไม่สวยไม่งามถึงแม้ ว, ว่าจะสวยภายนอกแต่ภายในมันไม่น่าดู วเวลาที่เขาตายไปแล้วมันไม่น่าดูคำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณสมศักดิ์ศรีสุทัศกุลการที่พระปฏิบัติได้มรณาภาพลงและมีคนไปร่วมงานศพท่านเป็นจํานวนมากอยากทราบว่าการไปร่วมงานศพถือว่าเป็นการได้บุญมากหรือว่าการที่เราไม่ได้ไปแต่อยู่บ้านสวดมนต์ลและนั่งสมาธิ อย่างไหนถือว่าได้บุญมากกว่ากันครับก็อยู่ที่บุญที่เราต้องการเราต้องการบุญอย่างไหนถ้าเราต้องการไปทำทานเราก็ได้บุญเวลาไปเราก็ได้ทำทานถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะไม่ได้ทำทานนอกจากว่าเราส่งเงินไปแทนก็ได้เหมือนกันถ้าเราต้องการฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆ ท, ท, ที่ไปร่วม ง, งานศพเราก็จะได้ฟังธรรม ถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะไม่ได้ฝังธรรมแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราไปงานเราก็จะไม่ได้นั่งเพราะที่งานมันจะไม่สงบมันไม่วิเวกคนจะมากดังนั้นมันก็อยู่ที่บุญที่แบบไหนที่เราต้องการถ้าเราต้องการความสงบเราก็ต้องปิกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ไปงานต่าง ถ้าเราต้องการที่จะไปร่วมบุญร่วมบริจากเงินทองปอดงทานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ทำได้สองวิธีไปเองหรือฝากเงินให้คนอื่นไปถ้าเราอยากจะได้พบปะกับครูบาอาจารย์ได้ฟังเทศฟังธรรมของท่านเพราะในงานนี้มักจะมีครูบาอาจารย์มาจากที่ต่างๆเราก็จะได้ประโยชน์ทางนั้นได้พบปะกับครูบาอาจารย์ได้รู้จัก ว่ามีครูบาอาจารย์รูปไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างต่อไปเวลาเราต้องการที่จะศึกษาจากครูบาอาจารย์เราจะได้มีแบ่งไปกันก็ได้ประโยชน์ต่างกันไปถ้าต้องการความสงบก็อยู่คนเดียวอยู่บ้านหรืออยู่ที่ปฏิบัติของเราไปไม่ต้องไปคําถามที่สองจากคุณสมศักดิ์ค่ะเห็นคนไปนกราบไหว้ครูบาอาจารย์กันเป็นจํานวนมากแล้วก็ขอถ่ายรูป นำมาโพสลงเฟซบุ๊กการทำแบบนี้ถือว่าได้บุญมากใช่หรือเปล่าครับบางครั้งครูบาอาจารย์ท่านอาพาธนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ไปขอถ่ายรูปกับท่านซึ่งอาจทำให้ท่านลำบากขึ้นเพราะท่านอาพาธอยู่อย่างนี้จะเป็นบาปหรือบุญครับมันไม่เป็นบาปเป็นบุญหรอกมันก็เป็นการกระทาตามภาษาของคนเราที่รู้จักกัน ก็อยากจะมีส่วนร่วมกันพบ ป, ปะกันก็อยากจะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรกันไปเท่านั้นเองไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปเปแต่ว่าการกระทำมันอาจจะต้องดูความเหมาะสมการละเทศะว่าผู้ที่จะถ่ายนี้เขาพร้อมที่จะถ่ายหรือไม่เขานอนอยู่ในเตียงก็อย่าไปรบกวนเขาถ้าเขาอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่ถ่ายได้แล้วเขามีเวลาว่างให้ถ่ายก็ถ่ายกันไป แต่มันไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์อะไรมากกว่าเพียงแต่การได้มีของที่เราเลิกติดตัวไปเท่านั้นเองการเข้าหาครูบาอาจารย์จริงๆควรจะเข้าหาธรรมจะดีกว่าธรรมนี้แหละเป็นบุญที่ประเสริฐที่สุดดีกว่าการถ่ายรูปถ่ายอะไรแต่จิตใจของผู้เข้าหายังไปไม่ถึงขั้นนั้นจะไปยังไม่ถึงขั้นธรรมไปถึงแค่ขั้นรูปประธรรม อยากจะได้รูปของท่านได้รูปของตนอยู่กับท่านก็เป็นธรรมของเขาอรูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาสงสารนาะอยากจะถ่ายก็ถ่ายไปไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวก็จะเสียใจร้องห่มร้องไห้อยังเป็นเด็กยังต้องมีพ่อมีแม่คอยอุ้มอยู่คําถามจากผู้ฝากถามค่ะมีหนูมีข้อสงสัยเนื่องจาก ดูเห็นความแตกต่างจากการพูดคุยการปฏิบัติกับเพื่อนที่ปฏิบัติอีกคนยังมีภาระหน้าที่รับผิดชอบครอบครัวกับอีกคนลางานมาปฏิบัติเต็มตัวดูเหมือนว่าสองคนนี้มีความต่างกันคือคนที่ลาออกจากงานมาปฏิบัติเต็มตัวดูจะเป็นทุกข์มากกว่าคนที่ยังมีภาระเพราะเขาบอกว่าเจอแต่กิเลส ข, ของตัวเองเต็มไปหมดสู้กับกิเลสจนเหนื่อย กว่าจะถึงความสงบเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะต้องฝืนกิเลสขณะที่อีกคนบอกว่าชีวิตไม่ทุกอะไรทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงจุดปล่อยวางแล้วเขาก็บอกว่าเข้าใจที่หลวงพ่อสอนอย่างทองแท้การเข้าถึงความสงบเพื่อเอากำลังมาตัดกิเลสไม่น่าจะเป็นของยากพอฟังแล้วเปรียบเทียบวิธีการของคนสองประเภทนี้หนูคิดว่า ปฏิบัติไปเรื่อยๆแบบอยู่กับโลกๆก็ดูจะสบายไม่ทุกข์เท่ากับการลาออกจากงานแล้วไปปฏิบัติเต็มตัวหรือจริงๆเป็นการพูดของคนที่เจอข้อสอบแบบปิดประตูตีหมากับคนที่ยังไม่เจอของจริงหนูไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายว่าทำไมคนที่ลาออกจากงานมาปฏิบัติเต็มตัวถึงบอกว่าเจอแต่ทุกข์ เจอแต่ปัญหามากกว่าคนที่ยังปฏิบัติแบบมีภาระหน้าที่ทางโลกก็เปรียบเทียบเหมือนกับนักมวยที่ชกกระสอบทรายกับนักมวยที่ขึ้นเวทีชกอ่ะอันไหนจะเหนื่อยกว่ากันอันไหนจะยากกว่ากันชกกระสอบทรายมันสบายจะชกมันเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ชกกลับมันไม่ตีกลับเราแต่ขึ้นเวทีนี่มันติดมันต่อยเราตลอดเวลาถ้าเราไม่ต่อยมันมันก็ต่อยเรา คนที่ไปปฏิบัติเต็มรูปแบบนี้จะเจอกิเลสทุกเวลาเลยส่วนคนที่ไม่ได้ไปปฏิบัตินี้เขามีช่องออกก็มีช่องหนีกิเลสได้เ ด, เ, เ, ด 7, เดี๋ยวก็เปิดช่องเจ็ดเดี๋ยวก็เปิดช่องสามเขาก็มีที่หลบที่หลีเขาไม่ต้องเผชิญหน้ากับกิเลสเหมือนพวกที่เขาไม่มีช่องหลบช่องหลีเข้าใจัไไหมมันก็ละเากยง่ายต่างกันคำถามฝากถามค่ะ จากนักปฏิบตัติปฏิบัติไปแล้วเห็นตัวเองและคนอื่นๆเป็นศพเน่าเปื่อยหน้าขยะแขยงไปหมดเจอแบบนี้แล้วปฏิบัติต่อไปอย่างไรดีคะก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเอาศพนั่นมาเป็นศพเราเพื่อเราจะได้ขยะขยงในตัวเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดกับมันจะได้ปล่อยวางมันได้เวลามันตายจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับมันคาถามผู้ฝากถามค่ะข้อแรก การที่มีคําพูดบุคคลเหตุการณ์เข้ามากระทบกับเราถ้าเกิดขึ้นแล้วเราหันมาถามใจว่าเรารู้สึกอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าการทวนกระแสใช่ไหมคะไม่ต้องถามหรอกเวลามันกระทบมันแสดงขึ้นมาทันทีแล้วเพียงแต่เราจะรู้ทันหรือไม่รู้ทันเท่านั้นเองถ้ารู้ทันเราก็ปล่อยวางไปรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปก็จบ ไม่ต้องมาไล่ถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี้เขาด่าแล้วเราเราู้สึกยังไงมันรู้สึกตั้งแต่โดนเขาด่าแล้วถ้าคนมีสตินี่เขารู้แล้วว่าจิตพุ่งขึ้นมาแล้วสติเริ่มจะหลุดแล้วต้องหยุดมันให้ได้เังงั้นผู้ปฏิบัติจริงๆไม่มาคอยถามหรอกคอยดูอย่างเดียวคอยเฝ้าดูปฏิกิริยาของจิตต่อสิ่งที่มากระทบว่าสักแต่ว่าหรือว่าเกิดรักเกิดชังขึ้นมา ตรวจโรคเกิโ ด, ดโกรธขึ้นมาต้องดูตรงนั้นแล้วเมื่อมันเกิดกิเลสขึ้นมาก็ต้องเอาปัญญามาดับมันให้ได้จากข้อหนึ่งค่ะแล้วการทวนกระแสนี้ทําให้เราเห็นกิเลสเห็นความอยากที่อยู่ในใจของเราถูกต้องไหมคะได้ก็ดูก็ให้ดูกิเลสนี่ปฏิบัติดูก็ดูตัวกิเลสนี่เพราะกิเลสนั้นเป็นข้าวศึกศัตรูของเรา เหมือนกับทหารเวลาเขาออกรบทเขาไปมองอะไรเขาไปมองต้นไม้ภูเขาหรือเปล่าเขาก็าต้องมองตัวข้าศึกสัตว์ัว่าอยู่ที่ตรงไหนกำลังจะมายิงเราหรือมาฆ่าเราหรือเปล่าถ้าเขาบุกเข้ามาเราก็ต้องมีอาวุธยิงเขาก่อนฆ่าเขาก่อนฉันใดาการปฏิบัติก็ดูตัวความโลกกฎหลงดูความอย่างนี้เท่านั้นแหะที่มันเป็นข้าศึกสัตร์ตเพราะมันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเรา อมันโผล่ขึ้นมาปั๊บก็ต้องเอาปืนคือปัญญามายิงมันเลยข้อสค่ะถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วใจเราทุกข์กับสิ่งนั้นทันทีโดยที่เรายังไม่ทันได้หันเข้ามาดูที่ใจเราอย่างนี้แสดงว่าสติเราตามไม่ทันใช่ไหมคะใช่เราไม่ได้ดูที่ใจเราเราไปดูที่อื่นไปดูที่อย่างอื่นไปดูที่คำพูดของเขา แตไม่มาดูว่าตอนนี้ใจเราร้อนเป็นไฟขึ้นมาบัแต่ไปคิดถึงคําพูดยิ่งคิดก็ยิ่งร้อนใหญ่บางทีเขาพูดตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนเย็นก็ยังคิดถึงอยู่ไม่ดูที่จิตว่ามันร้อนมันลอนเพราะเราไปคิดถึงคําพูดของเขาถ้าเราไม่ไปคิดถึงคําพูดของเขามันก็หายร้อนแล้วล่ะข้อสี่ค่ะแล้วคําว่าอยู่กับปัจจุบันถ้าเกิดในกรณีที่เราคิด และวางแผนเหตุการณ์ในอนาคตบางอย่างแล้วพอคิดเสร็จเราก็บอกกับตัวเองว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเพราะมันไม่แน่นอนและเราห้ามมันไม่ได้เหมือนกับว่าเตรียมทําใจไว้ล่วงหน้าแ ล, แล้วก็รีบดึงใจกลับมาพุโทโธอย่างนี้ก็ยังถือว่าไม่ฟุ้งไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมคะ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเรามาพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำไปถูกหรือผิดถึงแม้จะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยเหมือนกับเราได้ทบทวนและพยายามสอนตัวเองว่าจะไม่ผิดพลาดแบบนั้นอีกอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะได้ถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดเพื่อยุติความโลภความโกรธความหลงนั่นเอง หมดแล้วเลยต่อไปก็ให้ทางทาง Facebook Live หรือ YouTube Live คำถามจาก YouTube คำถามจากคุณอุ้งคณาอังคณาไม่มีอุง้งคณาหรออ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นนะ U U N ข้อที่หนึ่งเคยนั่งสมาธิแล้วตกผวังหลับ แต่จิตขณะนั้นรวมเร็วแบบดิ่งตอนหลังเปลี่ยนมาเดินจงกรมจเจริญสตินั่งสมาธิไม่หลับแต่จิตรวมได้ยากกว่าเดิมมากควรทําอย่างไรคะย่องเจริญสติให้มากยิ่งขึ้นไปแสดงว่าสติยังมีกําลังไม่พอที่จะดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิได้ข้อที่2การกวาดลานวัดหรือพื้นบ้านถ้ามีมดมแมลงโดนไม้กวาด เราหรือที่เราถูกพื้นแล้วเข่าตายเราจะเป็นบาปไหมคะถ้าเราไม่เห็นเราไม่มีเจตน า, นาก็ไม่บาปเหมือนเราขับรถไปแล้วรถมันมีมดวิ่งอยู่กลางถนนนี้เรามองไม่เห็นแล้วก็ขับไปเหยียบทับมันไปก็ถือว่าเป็นกรรมใครกรรมมันไปก็แล้วกันคราวหน้าเราอาจจะเกิดมาเป็นมดแล้วให้รถเขาเหยียบแทนก็ได้ข้อที่สถ้าเรานั่งสมาธิทุกวันแล้วให้คุณแม่อนุโมทนาบุญ เพราะท่านอายุมากนั่งไม่ไหวแล้วท่านจะได้พบชาติที่ดีในพบชาติหน้าใหมคะท่านไม่ได้อะไรหรอกเพราะท่านไม่ได้นั่งถ้าอยากจะได้ก็นั่งๆั่งเองที่อนุโมทนาก็เพียงแต่ว่าไม่มาขัดขวางการกระทําของเราเท่านั้นเองแทนที่จะมาบ่นว่านั่งทําไมนั่งเสียเวลาเปล่าๆน่าจะไปหาหาแฟนไปมีครอบครัวมีลูกมีหลานจะดีกว่าถ้าแบบนี้มันก็เป็นการที่จะมาขัดขวางการเจริญในธรรมของเรา อย่างนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้านั่นอนุโมทนาว่าเออดีหนูนั่งไปเถิดแม่สบายใจแม่ดีใจด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะนั่งแล้วแม่เขาก็มีความสุขใจที่เห็นเรานั่งอันนี้ก็ดีตรงนั้นแต่ถ้าแม่อยากจะได้พบชาติที่ดีแม่ก็ต้องนั่งเองด้วยคําถามจาก facebook คําถามจากคุณอุเลศ วิธีให้แม่ปล่อยวางแม่ผมอายุ78ปีไม่ยอมปล่อยวางชอบฟังคนอื่นแล้วคิดมากนอนไม่หลับทั้งที่ลูกทุกคนประสบความสำเร็จมีงานทำเป็นข้าราชการทุกคนแต่แม่ก็จะคอยกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กบอกก็เหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงครับอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะวิธีทาให้ท่านเลิกกังวลปล่อยวางครับ อมันเรื่องของไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายฮะถ้าเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแล้วก็อย่าไปดัดเลยเน๋ยวมันหัก <c ười> <g ül flavor> ปล่อยท่านไปตามเรื่องของท่านเถอะปัญหาไม่ดีที่ท่านปัญหาอยู่ที่เราที่ไปอยากให้ท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอยาน่างนี้แล้วเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาอยู่ไม่เป็นปกติอยู่เฉยไม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่แม่ปัญหาอยู่ที่เราที่เราไปอยากให้ท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็เลยไม่สบายใจเวลาที่ท่านไม่ได้เป็นตามที่เราอยากเหมือนที่พูดอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยากให้กล้วยมันเป็นส้มกล้วยมันก็ต้องเป็นกล้วยอย่าไปอยากให้มันเป็นส้มอยากแล้วมันไม่เป็นเราก็จะผิดหวังเราก็จะเสียใจแม่เขาเป็นกล้วยอย่าไปเปลี่ยนให้เป็นส้มถ้าอยากให้เขาเป็นส้มแม่เขาต้องเปลี่ยนเองเปลี่ยนตัวเขาเองคาถามจากคุณปทุมมา สามมาวาจากับศินข้อสี่เหมือนกันใหม่คะศินข้อสี่เบียงแต่มีลูกสาวาดามุสาวาตคือการการไม่พูดปดเพียงอย่างเดียวแต่สามมาวาจานี้จะรวมถึงการไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดคือไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีเรียกว่าส่อเสียดไม่ใช่เสียดสีนะเรามักจะเข้าใจว่าคําว่าส่อเสียดคือพูด เสียดแทงคนนั้นเสียดใจคนนั้นคนนี้ไม่ใช่อันนี้หมายถึงส่อเสียดหมายถึงว่าอย่าไปพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกกันเช่นอย่าไปยุให้สามีภรรยาเขาโกรธกันเกลียดกันอย่าไปยุให้สังคมแตกแยกกันสังคมจะอยู่กันอย่างมีความสุขก็มีความลักความสามัคคีกันถ้ามีความแตกแยกแล้วสังคมก็จะอยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่กันอย่างไม่ปลอดภัย คำถามจากคุณทิพย์การถวายแค่ปัจจัยแก่พระเพราะไม่ทราบว่าจะซื้ออะไรถวายดีมีผลบุญหรือต่างกันอย่างไรกับการถวายของต่างๆคะสำหรับผู้ถวายก็ได้บุญเท่ากันจะซื้อของมาถวายหรือว่าถวายปัจจัยแต่ผู้รับนี่อาจจะมีผลดีผลเสียได้แล้วแต่ผู้รับว่าจะเอาไปใช้อย่างไรถ้าใช้เป็นก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะใช้ให้เกิดโทษได้กับตนเองกับผู้อื่นด้วยกับศาสนาคําถามจากคุณมงคลการถวายผ้าขาวต่อพระอริยะอุคคลมีอา น, นิสง์อย่างไรครับก็เป็นการถวายผ้านั่นเองเป็นจีวรให้ท่านเอาไปนุ่งห่มสวมใส่จะถวายกับใครก็คนถวายก็ได้บุญเท่ากัน ไม่ต่างกันจะถวายกับพระอริยะถวายกับพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพร ะ, ะมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดครั้งแรกในพระราชวังเธอก็เย็บจีวรเตรียมถวายให้พระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าไปถึงก็เอาจีวรที่ตนเองตัดเย็บนี่มาถวายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาไปถวายให้สงไปถวายเป็นสังฆทานอย่ามาถวายให้เรา พระสงฆ์นี้สําคัญกว่าตัวพระพุทธเจ้าเพราะว่าสงฆ์จะต้องเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็ต้องมีพระสงฆ์เท่านั้นที่จะมาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ดูแลพระสงฆ์ดูแลแต่พระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวก็จะไม่มีพระสงฆ์บวชกันบวชแล้วไม่มีใครถวายจีวรไม่มีใครถวายอาหารอยู่ไปไม่กี่วันก็อดตายก็ลาสิกขากันไป ยัะพระเจ้าบอกว่าให้ถวายเป็นของสงฆ์คือให้เป็นให้กับของพระทุกรูปแล้ให้พระท่านมาพิจารณาว่าใครขาดแคลนอะไรใครมีผ้าเก่าใช้ไม่ได้แล้วก็เอาผ้าใหม่ที่เขาให้มาเอาไปใช้อันนี้คือเจตนาของการถวายของต่างๆพระพุทธเจ้าว่าว่าถวายให้กับส่วนกลางดีกว่าถวายให้กับบุคคลเพราะถวายส่วนกลางนีเท่ากับเราดูแลพระทีวียได้หลายๆรูป ถ้าเราถวายให้องค์เดียวเราก็ดูแลพระเพียงองค์เดียวศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่พระรูปเดียวศาสนาจะอยู่ได้ต้องอยู่กับพระหลายรูปเช่นเวลาจะบวชนี่ก็จะต้องมีพระอย่างน้อย10บรูปขึ้นไปถึงจะบวชพระใหม่ได้ยกเว้นในกรณีที่อยู่ในที่กันดารหาพระยากก็อนุโลมให้ใช้พระห้ารูปแต่อย่างน้อยต้องมีพระห้ารูปด้วยกันถึงจะบวชได้ มีพระรูปเดียวบวชไม่ได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่บวชพระรูปเดียวได้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดไม่อยู่คมฟ้าเพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปแล้วก็ต้องอาศัยพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่ทาหน้าที่บวชให้แก่กุลบุตรที่มีศรัทธาต่อไปแต่ถ้าพระสงฆ์ไม่ได้รับการดูแลด้วยปัจจัยสี่ท่านก็จะไม่สามารถอยู่ใน ในเพศของพระได้ท่านก็ต้องกไปทำมาหากินห า, หาเงินหาข้าวหาอาหารด้วยตนเองดังนั้นเวลาเราถวายผ้าถวายปัจจัยสี่ให้กับพระนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ถวายให้กับสงไปเช่นงานกรถิ่นนี้เรียกว่าถวายผ้าให้กับสงงานกรถิ่นนี้ไม่ได้ถวายให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งถวายให้กับสงไปพิจารณากันเอาเองว่าพระรูปไหน ขาดแคลนผ้าก็จะให้เป็นผู้ที่ได้รับผ้าผืนนั่นไปแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ถวายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งผ้ารูปใดรูปหนึ่งก็เราดูความเหมาะสมกันล้วกันถ้าดูว่าพระสงฆ์ขาดแคลนเราก็ไปถวายให้กับพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์มีพอเพียงแล้วเราอยากจะถวายให้กับผ้ารูปหนึ่งรูปใดเป็นกรณีพิเศษก็ถวายได้ คำถามจาก You Tube คำถามจากคุณธนาเมื่อผ่านโสดาปฏิผลแล้วอยู่ในเพศคาวาะใจเขาไม่อยากทำงานทางโลกและไม่ต้องการออกบวชหากปล่อยให้ร่างกายเขาแห้งตายไปเองพระพุทธเจ้ามีตัดไว้มั่งไหมครับไม่เคยได้ยินมีแต่ว่าอยากจะปฏิบัติทำให้มากขึ้นไปเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่มีความเกยียจ้าแนละ้ถ้าเป็นพระอริยเจ้า มีแต่ความเพียร เ, เต็มที่คำถามจากคุณเสริมศักดิ์คนที่อายุสั้นคือคนทาบุญมาเยอะไม่ต้องใช้เวรกรรมที่โลกมนุษย์นานได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แต่คนที่อายุยืนคือมีกรรมมากต้องใช้กรรมมากในโลกมนุษย์นานใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นทางตรงกันข้ามนะ คือคนที่ทํำบาปมากอายุมันจะสั้นอยู่ไม่ได้นานตายไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์ตายไปก็กลับไปอาบายใหม่แต่คนที่ทําบุญเนี่อายุยาวตายไปก็ไปสวรรค์คําถามจากคุณนายิกาเวลากิเลสเกิดใช้ปัญญาดับกิเลสในสมาธิไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งสมาธิอยู่ในขณะนั้นแต่หมายถึงจิตเป็นสมาธิอยู่แล้วขณะที่เราลืมตาอยู่ใช่ไหมคะ โยมยังไม่เข้าใจเพราะโยมคิดว่าขณะนั่งสมาธิอยู่กิเลสไม่มีค่ะเวลาจิตรวมเต็มที่กิเลสมันก็ทำงานไม่ได้แต่เวลาออกจากสมาธิมานี่จิตก็ไม่ได้รวมเต็มที่ความคิดปรุงแต่งมีกิเลสก็โผลขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าคนที่ออกจากสมาธิมีสมาธิแล้วนี้จะเป็นจิตที่เย็นกว่าคนที่ไม่มีสมาธิเลยในเวลากิเลส ขึ้นกับคนที่ไม่มีสมาธิมันจะพุ่งปุ้ดเลยแต่ถ้าคนที่มีสมาธิมันจะไปช้าๆมันต่างกันตรงนั้นคําถามจากคุณคลุกคีทําไมใจยังเศร้าหมองมากยามดูภาพบ้านเมืองของเราเพราะเรายังไม่ถึงปัญญาใช่ไหมคะเพราะเรายังมีความอยากอยู่อยากให้บ้านเมืองเป็นไปตามความอยากของเรา พอไม่เป็นไปเราก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเพราะเราไม่เห็นด้วยปัญญาว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกต้องมีความวุ่นวายถึงจะเรียกว่าโลกเพราะโลกเป็นที่อยู่ของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเป็นตัวสร้างความวุ่นวายต่างๆขึ้นมาดันั้นเราอย่าไปหวังให้โลกนี้มันสงบเลยมันสงบเท่านี้ก็ถือว่าบุญแล้วดีว่ามันไม่เลวไปกว่า น, นี้ต่อไปมันจะเลวไปกว่า น, นี้พระพุทธเจ้าได้ทรงทานายแล้วว่า จิตใจของมนุษย์เราจะจะต่ตกต่ำไปมากขึ้นเรื่อยๆความโลภโมโทสารจะมากขึ้นความมีศีลละธรรมจะมีน้อยลงต่อไปจะมีการฆ่าฟันทำบาปทำกรรมกันมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยุคเมกษัหยีคือทุกคนจะต้องพกอาวุธป้องกันตัวเองเจอใครที่ไหนก็ยิงกันเมื่อ น, นั้นเลยเพราะว่าทุกคนมีแต่ความโลภความอยากความต้องการ พอเห็นอะไรก็อยากจะได้คว้ามาเลยก็อยู่ในยุค ข, ของเดระฉานผู้ง่ายๆอยู่แบบเดระฉานอยู่แบบไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่แบบไม่มีกฎหมายแล้วก็จะฆ่ากันตายไปหมดพอหมดแล้วพวกคนดีที่หลบไปอยู่ในป่าในเขาก็จะออกมาสร้างสังคมขึ้นมาใหม่มาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลม า, าทำบุญทำทานกัน แล้วก็จะมีพระพุทธเจ้ารูปใหม่มาตัดทะลุในวรระต่อไปคำถามจากคุณแม็กเมื่อกำหนดดูลมหายใจเข้าออกแต่ไม่มีคำภาวนาดูอยู่จุดเดียวเพราะไม่ว่าเกิดสิ่งใดก็ไม่ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตามมันต้องเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาอย่างนี้เป็นการทำสมาธิที่ถูกต้องไหมครับการทำสมาธิถูกต้องไม่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดไม่ให้ไปวิเคราะห์ไปพิจารณาเพราะมันจะเป็นการใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดแล้วจิตก็จะไม่รวมจิตต้องเพ่งดูเฉยๆให้รู้เฉยๆเพียงอย่างเดียวถึงจะเรียกว่าเป็นการทำสมาธิคำถามจากคุณนุชานดาทุกมากเจ้าค่ะแฟนบอกเลิกแล้วคบกันมานาน เลยมาตั้งใจทํากรรมฐานพอกรรมฐานจะมีแต่เรื่องนี้เรื่องเขาคนนี้ตลอดเวลาพยายามทําทุกอย่างแล้วเจ้าค่ะแต่สมาธิไม่เกิดเลยเจ้าค่ะจิตไม่ส ง, งบเลยต้องแก้อย่างไงบ้างเจ้าค่ะเราต้องสร้างสติขึ้นมาเราไม่มีสติดึงใจให้นิ่งปล่อยให้ใจคิดอยู่เรื่อยเปื่อยเรื่อยๆไม่มีสติถ้าเป็นลิงก็เหมือนกับไม่มีเชือกเชือกมัดมันเอาไว้ มันก็เลยวิ่งเล่นเพ่นพ่านไปทั่วทุกขนทุกแห่งจิตที่ไม่มีสติก็จะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องมาสร้างสติกันขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินั่งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็อย่าไปคิดถึงแฟนให้คิดถึงพระพุทธเจ้าแทนพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงแฟน ถ้าคิดถึงแฟนแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาเสียอกเสียใจเศร้าหมองแต่ถ้าคิดอยู่กับพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปใจก็จะว่างเย็นสบายเวลานั่งใจก็จะสงบคำถามจากช่างน้อยผมจะบวชที่วัดพระอาจารย์จะปฏิบัติอย่างไรครับก็ไปติดต่อกับพระมีกุฏิหมายเลขสี่เขาจะรับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการบวช แล้วเขาก็จะกำหนดวันบวชให้หมดแล้วนะทางนี้มีใครอยากจะถามอีกไหมเอ่าขึ้นมาเลยไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ขออนุญาตถามนะเจ้าคะ่ะตอนนี้คุณพ่อป่วยอยู่อ่ะคะ่ะแล้วก็เหมือนเด็กเล็กอะคะ่ะค่อยๆจะรู้เรื่องแต่ว่าเขามีสติรู้ตัวเวลาจะล้มอะไรเนี้ยก็จะรู้อะ่ะเจ้าคะ่ะ เสร็จแล้วหนูอยากจะทราบว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรที่จะช่วยเขาในขณะปัจจุบันแล้วก็ในขณะที่เขาใกล้จะสิ้นจะช่วยอย่างไรนะต้องการให้เขาเป็นอย่างไรนะอยากให้เขามีสุขติเป็นที่ไปเจ้ค่ะอันนี้มันต้องทําตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ป่วยอ๋อเจ้าะถ้าป่วยแล้วก็ไม่มีกําลังที่จะมาทํเจ้าค่ ะ, ะก็ต้องปล่อยเขาไปทางจิตใจเราก็อาจจะ ถามเขาว่าอยากฟังเทศฟังธรรมไหม้ค่ะฟังธรรมก็เอาธรรมมาเปิดให้เขาฟังค่ะถามเขาว่าอยากจะทำบุญไหมอยากจะใส่บาตรไหมเ้าค่ะแล้วก็จัดหาของให้เขาถ้าเขาอยากจะทำต้องถามเขาก่อนค่ะแล้วก็ถามเขาว่าพุทโธพุทโธไหมอยากจะพุทโธไหมคืออย่าไปสอนอย่าไปสั่งเขาอย่าไปบอกเขาต้องถามเขาก่อน อย่าไปบังคับใจถ้าเขาบอกไม่อยากก็ปล่อยเขาไปตามอัธยาศสยเราก็ดูแลได้เพียงทางร่างกายหาอาหารมาให้ท่านรับประทานอาบน้ำอาบท่าให้ท่านอะไรไปหาอยู่หายาให้ท่านรับประทานไปอามอัตภาพแต่ทางด้านจิตใจนี้ผู้ตัวของท่านเองจะต้องเป็นผู้ดำริขึ้นมาเองว่าต้องการจะทำอะไร เราไม่สามารถที่จะไปยัดเยียดให้กับท่านได้คำถามจากคุณซีนีนั่งสมาธิในบ้านมีอา น, นิสงส์อย่างไรคะและหยุดและหลุดพ้นไหมคะออนั่งสมาธิที่ไหนก็มีอา น, นิสงส์เหมือนกันคือนั่งแล้วใจก็จะสงบไม่ว่าจะนั่งที่บ้านหรือนั่งที่วัดนั่งในป่าเพียงแต่ว่าความยากง่ายมันจะต่างกัน ราะบรรยากาศรอบข้างมันจะเป็นจะเป็นปัจจัยที่เอื้อหรือที่ที่ที่ฝืนที่ที่ต่อต้านถ้าอยู่มีปัจจัยที่เอื้อมันก็จะสงบง่ายสงบได้นานสงบได้ลึกถ้ามีปัจจัยที่ต่อต้านมันก็จะสงบได้ยากสงบได้น้อยสงบไม่ลึกมันก็มีความแตกต่างกันตรงนั้นที่ตามสถานที่ที่เราไปนั่ง ถ้านั่งที่บ้านสถานที่ที่บ้านมันสงบกว่าที่วัดก็นั่งที่บ้านดีกว่าถ้านั่งที่วัดสถานที่ที่วัดสงบกว่าที่บ้านก็นั่งที่วัดดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้วัดก็มีวัดหลายแบบวัดแบบวัดสงบก็มีวัดแบบวัดบันเทิงก็มีมีมอหรลศพมีมีอะไรต่างๆเข้าไปในวัดก็มีดังนั้นจะนั่งสมาธิจึงต้องหาที่ที่เรียกว่ากายวิเวก กายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกกายวิเวกก็คือคำว่าวิเวกก็คือสงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ ค, คำถามจะคุณมินดี้นามแฝงนะครับ ได้ฟังอุบาย ร, รมแนวทางการปฏิบัติเป็นขั้นตอนการยกตัวอย่างต่างๆที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมยิ่งได้ฟังได้อ่านได้ระลึกถึงคำสอนที่ท่านเทศลูกยิ่งทราบซึ้งใจมากยิ่งขึ้นเพราะลูกลดความทุกข์และความอยากต่างๆและมีความสงบสุขมากขึ้นเจ้าคะ่ะโดยเฉพาะที่ได้ดูถ่ายทอดสดวันก่อนกับการที่เห็นท่านเมตตายอย่างมากในการพูดคุยกับโยมที่ขายปลาปล่อย แล้วรูกประทับใจและรู้สึกอบอุ่นใจแทนโยมผู้นี้จริงๆลูกยิ่งและลึกถึงพระคุณของท่านอย่างมากๆดูรูปถ่ายหรือนึกมโนโภาพของท่านกราบขอกําลังใจจากท่านในการปฏิบัติของลูกอยู่เรื่อยๆขอกราบเรียนถามว่าอย่างนี้มันยังเป็นความคิดปรุงแต่งของกิเลสอยู่หรือเปล่าเจ้าคะมันก็เป็นความคิดแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ดีรู้สิ่งที่ดีเราก็ควรจะนำเอาไป ป, ปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาภายในใจของเราต่อไปคำถามจากคุณมงคลการทำบุญที่ให้ผลดีคือการเลือกเนื้อนาบุญที่ดีเช่นทำบุญกับผู้มีสินห้าได้อ น, นิสงไม่เท่ากับ ทำบุญกับผู้มีศีลแปกการทําบุญกับพระโสดาบันได้อ น, นิสงส์น้อยกว่าการทําบุญกับพระอาหารหันต์การทําบุญโดยเจาะจงได้อ น, นิสงส์น้อยกว่าการทําบุญแบบไม่เจาะจงเรียนถามว่าควรพิจนารณาอย่างไรในการทําบุญขอรับก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลไงเพราะการทําบุญนี้มีผลหลายด้านด้วยกันผลด้านจิตใจคือความสุขใจความ สบายใจนี่ทำกับใครก็ได้เหมือนกันทำกับพระพุทธเจ้าทำกับพระโสดาบันทำกับปุตุชนทำแล้วเราได้ความสุขใจเพราะเราได้เสียสละเงินทองของเราไปอันนี้ทำกับใครก็ได้ผลเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการผลจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยเราต้องการประโยชน์จากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยเราก็ต้องเลือกคนถ้าเราไปทําบุญกับคนที่ รักษาศีลห้าได้เขาก็จะบอกเราเรื่องศีลห้าได้อย่างเดียวจะบอกเรื่อง ส, สติสมาธิหรือปัญญาไม่ได้เรื่องศีลแปดเรื่องศีลสองอยิเจ็ดเขาก็จะสอนเราไม่ได้ถ้าเราไปทําบุญกับพระที่มีความรู้มากเราก็จะได้รับความรู้มากจากท่านเปรียบเหมือนกับเราเรียนหนังสือถ้าเราเรียนกับคนที่จบมหกเราก็ได้ความรู้น้อยกว่า ที่เราเรียนกับคนที่จบปริญญาตรีคนปริญญาตรีก็น้อยกว่าคนที่จบปริญญาโทคนจบปริญญาโทก็น้อยกว่าคนที่จบปริญญาเอกถ้าเราต้องการความรู้สูงสุดเราก็ต้องไปเรียนกับคนที่จบปริญญาเอกชั้นใดถ้าเราต้องการธรรมะจากบุคคลที่เราทำบุญด้วยเราก็ต้องเลือกคนที่มีธรรมะมากที่สุดคนที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า ลองลงมาก็พระอราหันต์ลองลงมาก็พระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่คือบุคคลที่มีธรรมะมากวิแต่ถ้าเราทาบุญแล้วไม่ต้องการธรรมะเราไปปล่อยปาก็ได้เราไปเลี้ยงหมาก็ได้ก็ได้เหมือนกันถ้าเงินที่เราเสียเท่ากันเอาเงินที่ไปใส่บาตรนี้ไปซื้อข้าวให้หมากินมันก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์จากคนที่เราให ถ้าทำกับหมามันก็ได้ยินเสียงมันเห่าให้เราฟังได้เห็นมันกระเดกขางถ้าไปทำกับพระก็ได้คุยธรรมะกับท่านก็จะได้ธรรมะอย่างนั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการเพียงแต่บุญคือความสุขใจเราทำกับใครก็ได้ไม่ต้องทำกับพ่อกับแม่ที่บ้านก็ได้เห่นวันนี้วันแม่ไปทำกับแม่ก็ได้ก็ได้ความสุขใจเหมือนกับมาทาที่นี่ แต่ไปทํากับแม่ก็ไม่ได้ยินได้ฟังทำแม่ก็จะให้ผรอนว่าเออขอให้ลูกอยู่ไปสุขให้เจรนาะก็จะได้เท่านั้นแต่ถ้ามาทาบุญกับที่วัดนี่ก็จะได้ยินได้ฟังทำเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรในการทําบุญคำถามจากคุณบีหนูนั่งสมาธิแล้วขาชาเป็นเน็บทุกครั้ง นั่งยี่สิบนาทีก็เป็นแล้วพอออกจากสมาธิก็จะชามากค่ะอยากทราบว่าพระอริยะท่านที่นั่งนานๆานหลายชั่วโมงท่านมีความรู้สึกตรงนี้ไหมคะก็มีทุกคนน่ะคนที่นั่งสมาธิร่างกายก็เหมือนกันทุกคนน่ะร่างกายมันไม่ต่างกันนั่งไปนานๆเข้ามันก็ต้องเจ็บต้องชามังแต่ว่าใจของท่านเฉยกับมันและท่านไม่ไปยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวมันก็หายของมันไปเองแต่คนที่จิตใจ ย, ยังไม่นิ่งยังเฉยไม่ได้ พอเจอความชาก็อยากจะดิ้นหนีมันพออยากจะดิ้นมันก็เลยทุกข์ทางใจจนทั้งทนนั่งต่อไปไม่ได้ที่นั่งไม่ได้เพราะไม่ใช่เพราะความชานั่งไม่ได้เพราะความอยากให้มันหายชาพอไม่หายก็เลยต้องลุกทำเพื่อจะได้ให้มันหายมันต่างกันตรงนั้นคนที่เขามีขันติมีปัญญามีสติเขาก็อยู่กับความชาความเจ็บไปได้เพราะใจเขาเฉยๆใจเขาไม่มีความอยากให้มันหาย คำถามจากคุณตั้มบริกรรมพุทโธในตอนทำงานปกติแต่บางครั้งต้องใช้ความคิดต้องว่างต้องวางคำบริกรรมไหมคะก็เวลาต้องใช้ความคิดก็พักคำบริกรรมไว้หรือเวลาไม่มีความคิดก็ไม่ต้องบริกรรมเราบริกรรมเพื่อหยุดความคิดที่ไม่จำเป็นเท่านั้นเองแต่ความคิดที่จำเป็นเราก็ปล่อยมันคิดไปเช่นทางานต้องวางแผนต้องบวกลบคูณหารก็ต้องคิดไป แต่พอไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดไปคิดถึงแฟนคิดถึงขนมคิดถึง ท, ที่เที่ยวต่างๆก็อย่าปล่อยให้มันคิดแบบนั้นอย่าให้มันคิดไปในทางกามตันหาภวตันหาวิภาวะตันห า, พ, ะะนหาพอมันคิดไปในทางนั้นก็ต้องพุโทโธพุโทโธหยุดมันแต่ถ้ามันคิดเรื่องงานเรื่องการนี้ก็ต้องคิดเพราะเรายัางต้องมีรายได้เราต้องทํางานเราถึง ต้องใช้ความคิดกับการทํางานเพื่อที่เราจะได้มีรายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนที่ไม่อยากจะคิดมากๆก็เลยลาออกจากงานเพื่อจะได้มีเวลาไปทําใจให้ว่างให้สงบมากยิ่งขึ้นเนี่ยสาเหตุของคนที่ไปบวชกันก็เพราะว่าถ้าเป็นคข่าวร้าก็ต้องรับทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องใช้ความคิดกับการทํางานก็จะไม่มีเวลามาหยุดความคิดต่างๆเลยไปบวช ด, ดีกว่า แล้วอาศัยให้คนอื่นเลี้ยงเราให้เขาใส่บาตรให้เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการใช้ความคิดหาข้าวหาอะไรต่างๆแต่เวลาก็อุ้มบาตรเข้าไปในหมู่บ้านปั๊บเดียวก็ได้ข้าวมากินแล้วเวลาอุ้มก็ไม่ต้องคิดอะไรเดินไปก็พุโทโธพุโทโธไปพอเขาใส่บาตรก็เปิดฟ้าบาตรรับรับใจเขาไปไม่ต้องพูดอะไรอย่างนี้ เป็นเหตุที่ทําให้คนที่อยากจะปฏิบัติมากๆอยากที่จะทําใจให้สงบมากๆไปออกบวชกันเพราะจะได้ไม่ต้องใช้ความคิดในการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองนั่นเองคําถามจากคุณซินีบางทีนั่งแล้วมีอาการสั่นบ้างและใจเต้นแรงเป็นเพราะอะไรคะ<ถ>แต่มีสติทุกอย่างคะ่ะอะไรสัน่นร่างกายสั่นมันก็แสดงว่าไม่มีสติแล้ว แล้วตอนนี้เรานั่งก็ไม่เห็นสันเลยถ้านั่งแล้วสันก็แสดงว่าไม่มีสติไม่มีอะไรกลับควบคุมใจมันก็เลยสันฉะนั้นต้องมีสติคอยควบคุมใจคำว่าสติของคนนี้อาจจะเป็นบอกว่าความรู้สึกตัวอันนี้ไม่ใช่สติสติมันจะต้องอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาเช่นอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆหรืออยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ใช่นั่งดูใจคิด ปรุงแต่งไปมาปล่อยให้มันคิดไปเรือเ่อยเปื่อยเรียกว่มีสติอย่างี้ไม่ใช่มีสติต้องไม่มีความคิดถ้ามีความคิดจะเรียกว่าไม่มีสติหมดหรือยังี่่ะเลยอาเข้ามาคำถามจาก Youtube เวลาอยู่ในลัคนูชาสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้น้อมไปเพื่อเรียกทรัพย์ที่จำเป็นที่จาเป็นเข้ามาในการดำรงชีพได้ไหมครับเกว่า เรียนวิชาของคนลรวิชาแล้วที่นี่ไม่อสอนวิชานี่เพิ่งได้ยินวันนี้เองลักขณูชาเนีต้องไปถามที่อื่นแล้วนะขออภัยด้วยไม่ได้เรียนวิชานี้คขับนวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่ผลของการปฏิบัติเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะอ่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพอหายใจเข้าหายใจออกมันเหมือนกับรู้ว่าหัวใจมันเต้นแรงนะคะ มันจะได้ยินเสียงหัวใจมันเต้นแล้วพอหยุดทำสมาธิก็จะหายเจ้าค่ะหลวงพอ่อเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะเออมันจะเป็นเพราะอะไรไม่ไม่เป็นปัญหาปัญหาของเราก็คือเราจะทำอย่างไรกับมันคือวิธีถูกต้องก็อย่าไปสนใจมันรู้แล้วปล่อยวางกลับมาพุทโธกลับมาดูลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบแต่มันเป็นตลอดเลยกนะ็ไม่เป็นไรมันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปเจ้าค่ะที่ทํามาอยู่ก็คือทําแบบเนี้ยค่ะแต่ยังไม่สงบไงยังไม่ถึงจุดถ้าสงบแล้วทุกอย่างจะหายไปหมดอ๋อยังไม่สงบเท่าที่ควรยังไม่ถึงจุดใช่ไหมยังไม่รวมยังไม่ตกลุมตกบ่อสาธุเจ้าค่ะทําต่อไปให้มันตกลุมตกบ่อให้มันวุบลงไปแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปคําถามจากคุณแอน การที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตรวมเร็วขึ้นแสดงว่าเรามีพัฒนาการในการทาสมาธิมากขึ้นหรือไม่คะก็มีสติมากขึ้นแล้วก็มีความชำนาญมากขึ้นรู้จักประครับประคองใจรู้จักมีรู้จักรักษาสติไม่ปล่อยให้ใจไปเผลอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามจากคุณบุญชัยสุบุรี่จะผิดศีลห้าหรือเปล่าครับ อ๋อไม่ผิดหรอกสิ่งห้าห้ามส์ห้ามเดื่มสุรายาเมาหรือเครื่องมึนเมาทั้งหลายอืสิ่งมึนเมาทั้งหลายคำถามจากคุณดอฟินการฟังธรรมมะจากพระอาจารย์ทุกวันอยากทราบว่าฟังที่บ้านกับที่วัดจะได้อ น, นี้ส่งไหมคะเหมือนกันเนี่ยเป็นเสียงคนเดียวกันหู <c oughs> <c oughs> คนฟังก็หูคนเดียวกัน <c oughs> อยู่ที่ว่าฟังแล้วเอาไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ถ้าไปปฏิบัติก็จะได้อนิสงเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่เอาไปปฏิบัติก็ได้อ น, นิสงเฉพาะส่วนที่ได้ฟังคือการฟังธรรมนี้ท่านก็แสดงว่ามีอ น, นิสงอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ทงธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อฟัง อ, อีกซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลาดับ 3. จะทจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้สี่ทำให้จิตใจผ่องใสห้าทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี่คืออ น, นิสงส์ที่เกิดจากการฟังธรรมหมดแล้วเหร อ, อ, อมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา